นอบนอมพระรัตนตัยพระพุทธธรรมประสงค์ขอากราบพระจานทร์ไปศาลแล้วก็พระเทราชเทระทุกรูปลตลอดจนเพื่อนสามาชิกทุกท่านเจริญในธรรมไม่ชี้ก็ยัติธรรมทุกคนพวกเราก็นั่งกันตามสบายนะตั้งใจฟังก็ได้นะหรือตั้งใจ ทำความรู้สึกตัวก็ได้นะคือให้เรามีความตั้งใจนะที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นคือเรียกว่าเรามีสมาธินะเรามีความเพียร น, นะเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนะจะเป็นอะไรก็ได้นะเมื่อเรามีความตั้งใจใจเราจะไม่ไหลใจไม่เผลอไปที่อื่นนะหรือว่าใจ ที่มันไหลที่เพลยไปมันก็จะกลับมาหาที่ตั้งได้อันเนี่แหละให้เรามีมีที่ตั้งสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะอยู่ทุกขณะนะที่ตั้งจะเป็นอะไรก็ได้นะที่ตั้งเอนะที่เราตั้งใจไว้นั่นแหละคือที่เรียกว่าเป็นกรรมฐานนะกรรมฐานคือแปลว่าที่ตั้งนะเราตั้งใจไว้กับการรู้สึกตัว กับการเคลื่อนไหวในรูปแบบอันนี้ก็คือที่ตั้งที่จะให้สติของเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือว่าบางคนตั้งใจอยู่กับเสียงที่ได้ยินนะอยู่กับคำเทศนะที่กลังตั้งใจฟังอันนี้ก็คือกรรมฐานที่เราตั้งใจไว้นะแล้วก็ฟังไปนะรู้เรื่องที่ฟังนะหรือบางทีใจเราเผลอไปคิดตามหรือใจมันเผลอไปคิดเรื่องอื่น แ okay. ล้วก็กลับมาใหม่อ่กล <reich> ับมาอยู่กับสิ่งที่ฟังก่อนนะเอาอารมณ์การฟังเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้นะหรือบางทีเราอ่านหนังสือแล้วก็อารมณ์การอ่านนะเป็นอารมณ์กรรมฐานหลักนะอยู่กับสิ่งที่อ่านอยู่กับสิ่งที่ดูนะมีความตั้งใจจากตรงนั้นเมื่ออ่านไปแล้วใจเราวอกแวกไปที่อื่นนะหรือว่าใจเราหลมคิดมากเกินไปนะเราก็กลับมาอยู่กับการอ่านใหม่ คือปัจจุบันขณะเราสามารถเอาอะไรก็ได้เป็นที่ตั้งนะเป็นกรรมฐานก็ได้นะจะเป็นลมหายใจเป็นการเคลื่อนไหวหรือเป็นสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาเป็นเป็นเครื่องอยู่ของเราได้เพราะว่าสัมผัสของเรามันมีนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น เป็นช่องทางให้เกิดการรับรู้นะมีโลกภายนอกกับโลกภายในซึ่งคอยสัมผัสกันนะเขาเรียกว่าถ้าภาษาพระเรียกว่าอายตนาภายนอกแล้วก็อายจนาภายในเมื่อสัมผัสกันนะมันก็เกิดเป็นความรู้สึกนะเกิดเป็นความรู้สึกบางครั้งเกิดความรู้สึกชอบบางครั้งเกิดความรู้สึกชังหรือบางครั้งเกิดความรู้สึกเฉยเฉยถ้าเรารู้ทันสัมผัสที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้ อันนั้นก็ได้เหมือนกันนะเช่นตากระทบรูปรู้สึกอย่างไรนะกระทบรูปสวยๆนะจิตใจเกิดความชอบเราก็รู้ทันใจของเราที่เกิดความชอบนะกระทบรูปที่เรารู้สึกไม่ชอบใจเราก็รู้เท่าทันใจของเราที่เราไม่ชอบใจกระทบแล้วมันเฉยๆมันผ่านๆไปก็รู้ว่ามันเฉยว่ามันผ่านไปอันนี้แหละคือการที่เรารู้ทันผัฏฐะที่กระทบ นะภาษาภายนอกนะ่ะมันเกิดขึ้นเรารู้ว่าอเราเห็นก็ดีหรือเรารู้ก็ดีด้วยใจแล้วเราก็กลับมารู้ภายในของเราด้วยว่าใจเรารู้สึกอย่างไรกับภาษานั้นนะแต่บางคราวมันไม่เด่นมันไม่ชัดอะก็ไม่เป็นไรเราก็รู้อะไรก็ได้ที่ที่ว่ามันเด่นมันชัดในตอนนั้นะจะเป็นสิ่งที่เราทําตั้งใจทําในตอนนั้นก็ได้หรือสิ่งที่มันเด่นแล้วก็เข้ามาแทรกใหม่ ในตอนนั้นก็ได้อัเ น, นี้ยถ้าเราทําเช่นนี้นะมันจะเรียกว่าเราจะสามารถมีสตินะอยู่ตลอดเวลานะแต่สติก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะถ้าบางทีถ้าเราไม่มีที่ตั้งสักอย่างหนึ่งมันจะสับสนมันจะวุ่นวายนะไม่รู้จะเอาสติไปตั้งที่ตาหรือหูหรือจมูกลิ้นกายใจนะมันจะสับสนวุ่นวายเพราะว่าที่จริง อายตนะของเรามันแส่สายนะมันหาเรื่องหรือว่ามันมันบอกแวกไปได้ง่ายนะมันคอยรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกลินกายใจสลับกันไปสลับกันมาเยอะแยะมากมายแต่การที่เรามีที่ตั้งทุกอย่างหนึง่งมันจะทําให้ตัวที่เราตั้งใจทําเนี่ยมันเด่นชัดขึ้นมานะมันเด่นชัดขึ้นมาแน่นอนอนะ่ะตอนนี้ตาเราก็เห็นหูเราก็ได้ยินแต่สมมุติว่าถ้าเราตั้งใจอยู่กับความรู้สึกตัว เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราเองตัวนั้นแหละมันจะเด่นที่สุดนะมันจะเด่นที่สุดหรือเราเดินจึงกรมก็ดีเราก็มีความตั้งใจที่จะรู้ตัวกับการเดินเห็นกายมันเดินใจไป็นคนคอยรับรู้แม้ตาจะไปเห็นนกจะไปเห็นต้นไม้จะเห็นผู้คนมันก็จะไม่ใส่ใจกับตรงนั้นนะหรือว่ามันพอเห็นแล้วมันก็กลับมาเกี่วกับการเดินใหม่อันนี้ยมันจะทําให้เราเรียกว่ามีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นนะอ แต่ถ้าเราไม่มีหลักสักอย่างหนึ่งพอเราเห็นนกใจเรา s <S ก็จะไปกับนกนะพอเราเห็นต้นไม้ใจเราก็จะไปกับต้นไม้พอเราเห็นคนใจก็จะเผลอไปกับคนนะแต่ถ้าเรามีที่ตั้งมีหลักเราจะกลับมาอยู่กับการเดินของเราคือเรามีหลักไว้แต่เราก็ไม่ได้ว่าบังคับนะหรือว่าห้ามไม่ให้มันเผลอไปนะหรือไม่ใช่ว่าจะอยู่แต่กับหลักเกาะหลักท่าเดียวนะอันนั้นมันจะกลายเป็นการกลัว กลัวการเผลนะหรือว่ากลัวอารมณ์กระทบสัมผัสนะมันไม่ใช่เราเพียงแค่มีหลักไว้ให้เป็นเครื่องอยู่แต่ถ้ามันจะเผลอไปอ่ะเราก็รู้ทันนะเผลอไปดูแล้วอ่ะก็รู้ทันเผลอไปฟังแล้วใจก็รู้ทันเผลอไปคิดบ้างนะคิดอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างเราก็รู้ทันนะรู้ทันตัวเราเนี่ยว่ามันเผลอไปมันมาไหลไป ที่เรารู้ทันว่าใจเราเผลอนะ่ะอันนั้นก็คือมีสติเช่นเดียวกันนะ่ะคือสติในปัจจุบันมันรู้ว่าปัจจุบันนั้นมันเผลอไปนะมันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเรานะ่แล้วก็รู้ว่าใจมันเผลอไปแล้วก็กลับมานะขณะที่รู้ว่าเผลอก็มีสติแล้วขนาดที่กลับมาอยู่กับการเดินอยู่กับการยกมือหรืออยู่กับสิ่งที่เราฟังนะ่ะดูสิ่งที่เราตั้งใจอยู่ในตอนแรก นั่นก็คือการมีสติเช่นเดียวกันคือสติมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมันเรียกว่ามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติถ้าเราเจริญสติเช่นนี้นะสติมันจะเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่เกร็งมันจะไม่เพ่งหรือแล้วก็จะไม่ไหลมากเกินไปเพราะว่าอะไรมันมีที่ตั้งอยู่เสมอแต่ถ้าเราไม่มีดักกรรมฐานไว้ใจเราจะไหลมันจะล่องมันจะลอยไปเรื่อยๆนะมันไหลไปไหน ไหลไปกับอารมณ์นะไหลไปกับความคิดนะหรือบางทีมันก็จะจมกับอารมณ์นะการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การที่เราจมแช่กับอารมณ์นะอ่ะบางทีเคยไปแนะนําการสอนกรรมฐานบางที่คนก็จะบางทีก็มาจักค้าในใจเอ๊การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราต้องอยู่กับอารมณ์ที่จมกับความทุกข์หรือเปล่านะบางทีใจเราทุกข์อะ เราก็อยู่กับความทุกข์มันก็อยู่กับปัจจุบันนี่หรือบางทีใจเรามีความสุขนะล้วก็แช่อยู่กับความสุขมันก็อยู่กับปัจจุบันสินะเพราะปัจจุบันมันมีความสุขเพราะปัจจุบันมันมีความทุกข์นะเพราะปัจจุบันมันคิดเราก็จมกับความคิดนะอันนั้นไม่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะอันนั้นเรียกว่าไปไปจมไปหลงกับความคิดกับความทุกข์กับความสุขนะแต่การอยู่กับปัจจุบันคือการเห็น นะมีสติออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็นต่างหากเห็นว่าตอนนั้นจิตมันทุกข์เห็นว่าตอนนั้นจิตมันสุขเห็นว่าตอนนั้นจิตมันคิดนะหรือว่าเห็นว่ากายมันเดินนะแม้แต่การดูกายก็เหมือนกันมราต้องอาศัยไม่ใช่ไปจมอยู่กับกายนะไม่ใช่เราเอาจิตไปจมอยู่กับมือเอาจิตไปอยู่กับเท้าที่เดิน หือเอาจิตไปจัดจ่อกับอวัอาอายวะส่วนใดจะเป็นลมหายใจจะเป็นท้องพองยุกนะเราไม่ได้ส่งจิตไปอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งเลยนะเราให้จิตเป็นเพียงแค่ิเป็นผู้ดูนะผู้รู้เฉยๆผู้ดูนะแยกออกมามาสังเกตสิ่งที่ถูกดูนะเช่นเราดูกายเคลื่อนไหวเราก็จะแยกออกมานะกายเคลื่อนนะหรือว่ากายทําอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหว หายใจเข้าหายใจออกกินดื่มขับถ่ายนะเขากายมันทำงานของเขาไปจิตมีสติเป็นเพียงแค่ผู้รู้ดูอยู่ตางหากให้แยกออกมาดูไปเช่นนี้นะใจเราจะแยกเป็นสองส่วนในตอนแรกนะก็คือแยกกายกับแยกใจออกจากกันก่อนให้กายเป็นสิ่งที่ถูกจิตคอยรับรู้อีกทีหนึ่งอันนี้ถ้าเราทำเช่นนี้นะเราจะไม่กลายเป็นการเผลอเข้าไปเป็นเป็นการเพ่งเป็นการจ้องนะ โดยเป็นสมถะที่เข้าไปจมหรือเข้าไปอยู่กับอารมณ์นะถ้าเราเข้าไปอ่าเพ่งไปจ้องมากมันก็เกิดเป็นความเครียดนะเกิดเป็นความอึดอัดเกิดเป็นความไม่สบายกายด้วยแล้วก็ส่งผลกับใจที่ไม่สบายเพราะว่ามันแน่นนะมันจะเพ่งมันจะจ้องมันจะกลัวหลงมันจะกลัวอ่ามันจะกลัวนั่นกลัวนี่เนาะจิตเราก็เครียดนะกายมันก็เครียดนะอนะเพราะมันโดนบังคับนะ หือบางคนต้องทําช้าๆมันถึงจะรู้ชัดๆนะมันก็เป็นการอิทิบาวดที่ที่มันไม่สบายนะแต่ถ้าเราดูเล่นๆดูสบายๆนะดูแบบอนะ่าแค่สังเกตเขาทํางานไปนะบางครั้งหลงไปบ้างอ่ะก็ไม่เป็นไรหลงไปคิดบ้างนะลืมดูบ้างนะก็ไม่เป็นไรแต่เพียงเดีวให้รู้ทันเร็วๆอา้าวใจมันเผลอไปคิดแล้วนะอ่ะเรารู้ทัน ใจมันเดิมดูกรรมฐานหลักแล้วน ะ, ะเราก็รู้ทันนะคือเราไม่ได้แบบบังคับเพ่งจ้องไว้นะแต่พอเผลอไปเมื่อใดเรารู้ทันเมื่อ น, นั้นนะโดยเฉพาะสิ่งที่เผลอไปบ่อยก็คือเราเผลอไปคิดนะเราเผลอไปคิดวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะแต่การทํากรรมฐานแบบหลวงพ่อเทียนก็ดีถ้าไม่ได้บังคับให้เราห้ามความคิดนะหรือต้องบอกว่า เราไม่คิดเลยหรือจะเอาความสงบไม่ใช่แต่เมื่อเผลอคิดไปเรารู้ทันเผลอคิดไปเรารู้ทันบางทีแท้ที่จริงแล้วการที่เรามีการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดีนะจะจะยกมือสร้างจังหวะ ก, ก็ดีหรือว่าเดินจงกรมก็ดีแต่แท้ที่จริงแล้วเรามุ่งมาที่จะดูความคิดด้วยนะดูความหลงไปด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจที่ให้มันคิดนะปล่อยให้มันคิด พอคิดมาเรารู้ทันนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคือที่จริงตั้งใจจะจับมันนั่นแหละแต่ให้มันเผย อ, ออกไปก่อนนะคล้ายๆเราตั้งใจจะรู้ทันอารมณ์จะรู้ทันความคิดแหละแกล้งให้มันเผย อ, ออกไปแล้วเราจะรู้ทันนะแต่ถ้าเราคล้ายๆเราไปบังคับไปกดข่มนะมันก็บางทีมันจะไม่คิดเลยก็มีนะหรือบางทีพอเราปล่อยเลยมันก็ฟุ้งซ่านไปเลยก็มีไม่มีกําลังที่จะดู แต่การที่เรามีกรรมฐานลักเนี่ยเหมือนจะไม่อยากรู้ทันจิตไม่อยากรู้ทันความคิดนะเหมือนทําท่าที่จะรู้แต่กายอย่างเดียวนะเราก็รู้ไปรู้ไปรู้ไปแต่พอมันคิดเมื่อไหร่สติมันทันไปรู้ทันความคิดไปจับทันทีนะสังเกตไหมเวลาเรามีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเรายกมือก็ดีเราเดินก็ดีเราก็รู้กายของเราไปเรื่อยรู้เล่นๆไปพอความคิดเผลอเกิดขึ้นมาสติก็เข้าไปรู้ทันเองนะ มันก็ไม่ยาวความคิดมันอาจจะมากนะเราจะรู้สึกว่าจะเดินสติแบบนี้ความคิดมันอาจจะมากแต่สังเกตเลยมันไม่ยาวนะเพราะว่าเรามีหลักกรรมฐานแต่ถ้าวันวันหนึ่งเราไม่มีหลักกรรมฐานเนาะความคิดมันจะยาวยาวมากนะคิดจบเรื่องหนึง่งก็ไปคิดต่ออีกเรื่องหนึง่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จิตแทบจะไม่มีสติเลยนะหรืบางทีเราก็รู้สึกว่า วันวันหนึ่งเราไม่เห็นความคิดของตัวเองเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองเผลอไปคิดนะเพราะว่าใดสติเราเพราะว่าสติเราไม่มีนจิตใจเราก็จมกับอารมณ์กับความคิดทั้งวันทั้งคืนแต่พอมาจะเดินสติแบบนี้ละบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สงบนะเท่ากับการทําสมาธินะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าจิตใจของเรานี่มันมันฟุ้งซ่านมากนะที่จริงดีนะที่เห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านนะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราแทบจะไม่เห็นความฟุ้งซ่านของจิตของเราเลยนะถ้าต่อเมื่อเราไม่เครียดเกินไปนะหรือว่าเราไม่มีปัญหาในชีวิตเกินไปนะถ้าตอนนั้นน่ะมันอาจจะมาย้ำคิดย้ำทำนะเพราะว่าความเครียดเพราะความทุกข์ตอนนั้นเราถึงรู้สึกว่าอึอดอดัดรู้สึกว่าเราคิดมากรู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะแต่แท้ที่จริงแล้วความเผลอมันเป็นประจําเราทุกวันวนะทุกเวลานะ ตลอดมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แหละนะเป็นแบบนี้ทุกวันแต่พอเรามาฝึกมันอาจจะคิดมากอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราดำคาญความคิดนะอย่าไปดำคาญมันนะนะมันคิดมากเท่าไหร่เราก็รู้เท่าทันมันมากเท่านั้นนะมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ดูนะไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราดำคาญใจเนาะให้ถือว่าเป็นเครื่องทดสอบสติของเราเองนะ สติที่รู้ทันกายเนี่ยมันก็เป็นสติเช่นเดียวกันแหละนะสติที่รู้ทันความคิดมันก็เป็นสติเช่นเดียวกันนะเราอย่าไปถือว่าสติต้องรู้แต่กายเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะสติรู้ทันจิตใจนะที่เป็นเวทนาก็คือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างหรือกลางๆเฉยๆบ้างก็เป็นสติเช่นเดียวกันสติที่รู้ทันจิตนะที่ปกติบ้าง หรือจิตที่มีความโกรธความโกรธความหลงความคิดความฟุ้งซ่านบ้างก็เป็นสติเช่นเดียวกันนะสติที่รู้ทันความง่วงนอนก็ดีสติที่รู้ทันว่าจิตใจมันดังเดสงสัยก็ดีสติที่รู้ทันจิตใจที่พยาบาทหรือจิตใจที่หลงไปนทางการมราคะก็ดีหรือจิตใจที่หดหู่ก็ดีมันก็เป็นสติเช่นเดียวกันนะคือถ้าเรารู้อันนั้นแหละคือการมีสติ แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่ขาดสตินะมันมีแต่ตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นเมื่อไรที่เรารู้เมืนนะ่อนั้นมีสติแล้วจะรู้อะไรก็ช่างนะนะจะรู้กายก็ตามจะรู้จิตก็ตามอันนั้นเรียกว่ามีสติแล้วคือเรารู้ตัวนะรู้ตัวเราเองว่าตอนนี้กำลังเป็นอย่างไรอยู่นะเราก็รู้ตัวอันนั้นคือมีสติแล้วจะรู้อะไรก็ได้นะหรือแต่บางทีเราก็จะคิดว่า เราจะต้องรู้แบบต่อเนื่องนะรู้แล้วไม่หลงนะมันก็ไม่ใช่นะรู้เพราะ Holland, ว่า ต, ตัวรู้ heart, senate, มันเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปทุกขณะนะตัวรู้มันเกิดขึ้นพร้อมกับจิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตเช่นเดียวกันเพรดังนั้นเมื่อตัวรู้เกิดขึ้นมันก็จะดับไปแล้วถ้าเรามีสติใหม่ตัวรู้ก็เกิดขึ้นใหม่นะถ้าเรามีสติต่อของรู้ก็เกิดขึ้นตัวร <Next, S 1> ู <out> <S <s ้ก็เกิดขึ้นต่อ แต่ถ้าเมื่อใดความคิดความหลงมันแทรกเข้ามาตัวนั้นตัวดูก็ไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีสติคอยแทรกใหม่แทรกขั้นไปเรื่อยๆนะถ้าเรามีสติคอยแทรกขั้นไปเรื่อยๆเนะี่ยมันจะทำให้เราเรียกว่ามีตัวดูได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเมื่อตอนนั้นแหละมันจะค่อยสะสมนะกลายเป็นการเติมเต็มมากไปเรื่อยๆนะเหมือนกับ่าเหมือนกับเวลาน้า เข้าไหลสมมติน้ําท่วมอย่างปีที่แล้วน้ําท่วมกรุงเทพนะหรือว่าท่วมในเขตตลายจังหวัด น, นะเนี่ยน้ำมันไหลมามากๆ ก, ก, การที่เรามีตัวรู้ก็เหมือนกับที่การที่เราเหมือนเอากระสอบทรายเข้าไปกั้นน้ํานะกั้นน้ำํำบ่อยๆกั้นนะ้ํำบ่อยๆนะมันก็สามารถกั้นน้ําได้นะถ้ากระสอบทรายของเรามันมากนะจะเป็นเขื่อนสามารถกั้นน้ําได้นะตัวหลงเปรียบเส ม, มือนกับน้ําหรือว่าความคิดต่างๆเนะี่ย บางทีมันก็ไหลมาเข้ามาเรื่อยๆนะเมื่อเรามีความรู้ขึ้นมามันก็คอยแทรกนะคอยกั้นนะให้ความหลงมันเรียกว่าอ่อนกําลังลงแม้ในครั้งที่รู้ตอนแรกความคิดมันก็ยังมีอยู่นะความหลมก็ยังมีอยู่แต่มันก็อ่อนกําลังลงเพราะว่าโดนกั้นไปบ้างนะอารม์ของเราก็เหมือนกันบางทีมันฟุ้งซ่านมากๆนะฟุ้งซ่านมากๆนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเรามีสติรู้ทันนะ มันก็จะอ่อนกัำลังของมันไปเองนะอ่อนกำลังของมันไปเองเราก็รู้ทันแบบนี้จิตมันก็จะเกิดความสงบมากขึ้นนะพอเราจะเร <som> ื่งสติมากขึ้นเรื่อยๆนะจิตแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยเป็นสมาธิต่อไปนะสติเนี่แหละ website. ที่รู้ทัน <sud> บ <uit Bo ard> ่อยๆรู้ทันบ่อยๆรู้ทันทีมันจะกลายทําให้จิตของเราเป็นสมาธินะเรียกว่าเป็นจิตที่ตั้งมั่นนะมันมั่นคงเมื่อเกิดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มั่นคงแล้วคราวนี้นะ ความคิดมันจะน้อยลงไปของมันเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันจะมีสติในการรู้กรรมฐานหลักที่เราทํานะเช่นเรารู้กายเคลื่อนไหวจิตก็มักจะอยู่กับกายเคลื่อนไหวนะก็คือมันจะคอยมีความสุขรู้กายเคลื่อนนะหรือว่าเดินจงกรมก็เหมือนกันนะจิตมันก็จะมีความสุขอยู่กับการเดินจงกรมนะมันจะไม่ค่อยอยากจะคิดแล้วมันไม่ค่อยอยากจะเผลอไปแล้วเพราะว่าอะไรมันค้นพบแล้วว่า การเดินจงกลมก็ดีการยกมือก็ดีหรือการดูลมหายใจก็ดีเป็นความสุขที่เขาสามารถอยู่กับตรงนั้นได้นะแต่อยู่แบบเป็นผู้ดูนะไม่ใช่อยู่แบบเข้าไปแช่นะก็ะคือมันมีความพอใจมันมีความสุขในการดูดูกรรมาฐานที่กําลังเคลื่อนไหวหรือกําลังทําอยู่นะเมื่อมันมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทําแล้วนะมันก็จะเผลอไปคิดได้น้อยนะหรือว่าไม่ค่อยอยากจะเผลอไป แต่พอเพลอไปแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็รู้ทันได้เหมือนกันนะพอจิตมันมันมีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำคราวนี้จิตมันก็จะเป็นกลางเป็นกลางกับอารมณ์ได้มากขึ้นด้วยนะมันจะเห็นว่านะความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีนะหรือความคิดก็ดีนะมันก็เป็นเพียงแค่สภาวะที่เกิดขึ้นเพื่อให้จิตได้รับรู้เท่านั้นจิตเมื่อเกิดความเป็นกลางนะเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งคือเป็นกลางกับอารมณ์ เป็นกลางกับความสุขเป็นกลางกับความทุกข์เป็นกลางกับความยินดีเป็นกลางกับความยินร้ายนะเมื่อจิตเป็นกลางกับความยินดีความยินร้ายแล้วมันก็จะไม่ด่งเข้าไปยึดเอาความยินดีเอาความยินร้ายนั้นมาเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันเพียงแค่เห็นว่าความยินดีเกิดขึ้นกับจิตนะความยินร้ายเกิดขึ้นกับจิตแต่เราจะไม่ด่งเข้าไปยึดว่าความยินดีนั้นเป็นจิตความยินร้ายนั้นเป็นจิต เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นเพียงแค่สิ่งที่มามาชะมาไม่คล้เป็นเปลือกหุ้มเฉยๆคล้ายๆถ้าเปรียบเพียบ ง, ง่ายๆเหมือนกับเหมือนกับอา่าตัวเราก็ดีตัวที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะนะสมมตินิดเป็นตัวเป็นตนกับสมมตินะกับเสื้อผ้าที่เราใส่นะวันนี้เราใส่เสื้อสีขาวนะเพราะว่าเรามาอยู่วัดนะ่ะสมมติเนี่ยมันก็เป็นอีกภาพรักหนึ่ง เรากลับไปที่บ้านเราไปใส่ชุดทำงานเราก็กลายเป็นตัวเป็นตนเป็นคนทำงานอี ก, อกชุดหนึ่งบางวันเราไปเล่นกีฬาเราไปใส่ชุดนักกีฬาล้วก็เป็นตัวตนอีกเช่นนิดหนึ่งบางทีเรามาลาบวชนะเราก็จะกลายเป็นพระกลายเป็นแมช่ชีนะมันก็เป็นตัวเป็นตนที่ที่เรียกว่ามันสวมทับเข้ามาชั่วครัง้งชั่วคราวเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วเพื่อผ้า กับเนื้อหนังมังสามันก็เป็นคนรบส่วนกันแต่มันก็ทำให้เราเรียกว่าสมมติแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าตอนนี้เราเป็นเช่นนั้นจริงๆก็มีนะอันนี้คือเป็นเรื่องภายนอกนะเป็นเรื่องภายนอกนะแต่ถ้าเรารู้ทานะเราก็จะไม่หลงไปกับสมมติเราก็รู้ว่ามันเปยนแค่เป็นสมมติเป็นหน้าที่นะซึ่งจริงสมมติมันก็ถูกแบบสมมตินะสมมติเพื่อทำหน้าที่นะ เมื่อเราบวชเป็นพระบวชเป็นแม่ชีแล้วมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําแบบความเป็นพระแบบความเป็นแม่ชีนะหรือว่าเราสมมุติเป็นข้าราชาการเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีสมมุติที่ต้องทําให้ถูกถ้าเป็นสมมุติแล้วนะเราทําไม่ถูกสมมุติมันก็ผิดอีกเหมือนกันเนาะสมมุติเป็นตำรวจแล้วไม่ทําหน้าที่ไม่รักษากฎหมายอ่ามันก็ไม่ใช่เรียกว่าตำรวจนะสมมุตินุ่งห่มผ้าเหลืองเป็นพระแล้วแต่ไม่ทํากิจวัตรของพระ มันก็ไม่ใช่พระจริงๆอันนี้คือสมมุติเราก็ต้องทําให้ถูกสมมุติแต่ให้เรารู้จักวิ ม, มุตต์ด้วยนะวิ ม, มุตต์คือมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เรียกว่าสมมุติขึ้นชือกคาวเท่านั้นนะแต่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนะแม้เราจะใส่เครื่องแบบอะไรก็แล้วแต่แต่แท้จริงแล้วเราก็เป็นเพียงแค่ธาตุสี่แล้วก็ขันห้าเท่านั้นนะมาเป็นแค่ธาตุของเรามาประกอบกันเป็นเนื้อเป็นหนัง เป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็แค่นั้นนะเป็นร่างกายเด่นนี้เท่านั้นนะเป็นร่างกายที่เราได้อาศัยนะอาศัยขึ้นมาประกอบเพื่อเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่แต่ละคนอาจจะมีจุดหมายของชีวิตแตกต่างกันไปนะบางคนหวังว่ามีเลือกเนื้อหนังบางสามีร่างกายนี้เพื่ออ่านะเสพสุขก็มีนะบางคนเมื่อจิตคิดว่าชาตินี้จะเสบสุขให้มากที่สุด นะมันกจ็จะแสวงหาแต่ความสุขนะแต่ความสุขของแต่ละคนอาจจะคิดนะคนส่วนใหญ่อาจจะคิดแต่เป็นความสุขภายนอกเนาะความสุขจากการได้ดนะูต้องไปดูหนังมากๆนะต้องไปฟังเพลงมากๆนะหรือต้องไปกินของอร่อยมากๆนะหรือว่าต้องไปเทปกับอารมณ์ที่ให้จิตมันมีความสนุกหรือความสุขคนส่วนใหญ่ในไทย ในโลกใบนี้บางทีก็คิดว่าชีวิตนี้บางทีมันก็ต้องเสบสุขให้มันเยอะๆนะในถ้ามีโอกาสก็ขอเสบสุขมากๆเพราะหวังว่าจะทําใหนะ้จิตใจมันมีความสุขนะแต่บางคนนะอาจจะคิดว่าชีวิตนี้เราควรที่จะแสวงหานะความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่มันมากกว่าเนื้อหนังบางสาความสุขที่มันมากกว่าแค่รูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเท่านั้น ก็สแสวงหาความสุขภายในนะก็คือการบางคนก็สแสวงหาความสงบของจิตใจนะหรือสแสวงหาความสุขที่เกิดจากการทําบุญการรักษาศีลหรือการปฏิบัติธรรมหรือจะเรียกว่าอีกอย่างนึงก็ได้ว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการกลับมารู้จักตนเองนะกลับมาอยู่กับตนเองกลับมาทําความเข้าใจกับตนเองจนทั่งเห็นว่าตนเองที่แท้จริงมันก็ไม่มีนะมันมีเพียงแค่ธาตุสี่แล้วก็ขันห้าที่มาประกอบกันเท่านั้น อันนี้คือความสุขของการที่เรียกว่าเรากลับมารู้จากตนเองที่แท้จริงจะเรียกว่าเป็นความสุขในตามที่เราได้เดินตามรอยของพระพุทธเจ้าก็ได้นะท่านให้เรากลับมาดูตัวเองนะกลับมาดูกายกลับมาดูใจกลับมาเรียนรู้กายกลับมาเรียนรู้ใจที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเนี่ยแหละเราจะค้นพบว่ากายก็ดีใจก็ดีมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เอามาใช้นะ ทำมาใช้ชื่อขาวเท่านั้นนะถ้าเราอาศัยกายก็ดีมาเป็นตัวคอยเรียนรู้เราก็จะเห็นว่ อ, อกายมันก็เป็นของเขาเองนะนะตอนนี้เรานั่งนะมันก็นั่งนะแต่สักพักความปวดนะความเจ็บมันเข้ามาแทรกกับกายนะมันก็เป็นของเขาเองนะนะสักพักเราไปยืนเราไปเดินความปวดความเจ็บมันก็หายไปของเขาเองหรือสักพักอยู่ไปดีๆไม่เราจะ รับประทานอาหารที่ดีขนาดไหนไม่ต้าจะออกกาลังกายขนาดไหนแต่สุดท้ายมันก็เจ็บนะมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเข้ามาแทรกนะมันก็เป็นของเขาเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาสุดท้ายแม้ไม่หวังจะตายแม้ไม่อยากจะตายไม่อยากจะตายวันพรุ่งนี้ไม่อยากจะตายปีนี้คิดว่าจะต้องรอให้ลูกเรีนจบก่อนคิดว่าจะต้องรอให้แก่ก น, นี้ก่อนบางทีมันก็ห้ามไม่ได้นะ จะเรียกว่าทุกทีก็ได้ว่าอย่างไงน้นก็ได้คือเราไม่สามารถห้ามได้เลยนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองนะเราก็มาศึกษากายเพื่อเห็นว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองนะนะโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นของเขาเองแต่เราก็มีหน้าที่ในการดูแล ก, กายเหมือนกันนะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้นะแล้วก็รักษาเขานะบางคนพอกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็คิดว่า ไม่อยากรักษาเห็นว่ากลายเป็นภาระก็มีนะเมื่อบานก็มีคนมามาตั้งให้ฟังเหมือนกันเขารู้สึกว่ากายของเขาธาตุของเขามันมันแย่มากแล้วนะก็มีความคิดที่อยากจะไม่รักษากายละนะอยากจะปล่อยให้ธาตุทั้งสี่มันแตกมันดับไปเลยนะไม่อยากดูแลละเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นภาระมากนะแต่ตมาก็แนะนําว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นเนาะนะกายมันก็บางที ธาตุภายในมันอาจจะไม่สมดุลมันอาจจะเสียไปบ้างก็ได้แต่กายมันก็ใส่ธาตุภายนอกมาเติมเต็มก็ได้นะเช่นบางทีธาตุไฟของเรามันพ่องนะแล้วก็ใส่ธาตุไฟไฟนอกก็มาเสริมก็ได้นะจากอาหารจากน้ําอุ่นจากน้ําร้อนเนี่ยก็มาเสริมก็ได้นะเสมบางทีนะในตัวของเราธาตุเย็นนะมันมั น, มนพ่องแล้วก็อาศัยความเย็นจากภายนอกนะบางคนภายในมันร้อนมากนะ ก็กินอาหารร้อนเจนเข้ามาปรับสมดุลก็ได้คือกายภายในตอนนี้บางทีมันก็อาศัยสิ่งภายนอกมาเสริมมาเ ต, มเติมเต็มก็ได้นะเช่นเนื้อหนังมังสาเร า, าเอาจจะรู้สึกหนาวนะแล้วก็อาศัยเสื้อผ้าเข้ามาห่มเข้ามาช่วยนะหรือมันมีโรคเราก็ใส่า ย, ยาเข้ามารักษาเนะี่ยคือกายเรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นแบบไหนใช่นะเรายอมรับความจริงว่ากายของเราตอนเนี้ยมันมันป่วยมันไม่สบาย แต่เราก็ไม่ใช่ละทิ้งเขาไม่ช่วยเหลือเขานะเรารู้ว่าเขาไม่สบายเรายิ่งต้องดูแลรักษาเขานะแต่ขอให้เราดูแลรักษาแบบระวังใจด้วยนะก็คือว่าเออกายมันเป็นเช่นนั้นเราก็วางใจยอมรับความจริงของกายแต่เราต้องมีกําลังใจที่จะรักษาตัวเองนะที่จะรักษาตัวเองเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อเราอาศัยกายตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเป็นแพร่ที่จะทําให้เราข้ามฟา นะทำให้เราข้ามฝั่งเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงการปฏิบัติอยูนะ่เรายิ่งต้องอาศัยร่างกายเนี้ยในการเดินจงกรมในการยกมือในการทำกิจต่างๆเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความรู้เนื้อตัวๆเพื่อสะสมสตินะให้เกิดสติแล้วจะเดินปัญญาต่อไปให้เห็นความจริงนะให้จิตมันเข้าถึงความจริงไปก่อนนะ จิตมันต้องอาศัยกายไปก่อนอย่าเพิ่งทิ้งกายนะก็บอกเขาไปประมาณเนีน้ก็คือกายมันอาจจะรู้สึกลําบากแต่เราก็ดูแลรักษาเขาไปก่อนนะเพื่ออะไรนะเพื่อเราอาศัยกายนี้เป็นการ เ, เพื่อจะเดินสติไปก่อนแต่ขณะที่ดูแลกายเราก็ดูใจของเราไปด้วยนะเมื่อใดที่ใจเรารู้สึกมันเหนื่อยมันนายกับร่างกายนี้นะให้เราปลุกปอบใจของเรานะให้เรียกว่า ให้มันมีกําลังใจขึ้นมาเพื่อรักษากายนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปดมยึดว่ารักษาแล้วมันจะต้องดีนะมันก็มีเหตุมีปัจจัยบางคราวมันดีนะมันก็ดีบางคราวมันไม่ดีเอก็ทําใจอ่ะไม่เป็นไรให้ระาวาังใจแบบเนี้ยนะคือกายเราก็รักษาไปตามเรียกว่าตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งที่เราสามารถจะทําได้แต่การสลักของเราคืออะไรก็บอกว่า งานดักของเราคือการวางใจนะหรือว่าการทำใจนะอะไรจะเกิดขึ้นกับกายนี้เราก็ทำใจกับมันให้ได้อะไรจะเกิดขึ้นกระทบกับใจก็ดีโดยตรมก็ดีนะเราก็ต้องทำใจให้ได้นะจะเป็นอารมณ์ด้านบวกก็ดีจะเป็นอารมณ์ด้านลบก็ดีเมื่อเกิดขึ้นกับใจแล้วเราต้องรู้ทันมันให้ได้เมื่อรู้ทันแล้วก็ต้องวางให้ได้นะบางทีมันไปหลมยึด ลงยึดกับความทุกข์ก็ดีหรยประโยคลงยึดกับความสุขก็ดีเราก็รู้ทันมันให้ได้นะเมื่อรู้ทันแล้วก็ปล่อยวางมันไปนะมันเป็นธรรมดานะการดงไปยึดมั่นสําคัญหมายว่าอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็ดีมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นแหละแต่พอเรามีสติรู้ทันนะความลงยึดมันก็จะคลายไปนะสติเนี่ยบางทีมเป็นทําหน้าที่ในการที่เรียกว่านอกจากที่เราจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว มันจะทำหน้าที่ในการปล่อยวางด้วยนะนะเมื่อเรารู้ว่าเราลบไปดงยึดอดมหรือว่าความทุกข์เป็นเราแล้วนอกจากรู้แล้วมันจะทำให้เราวางได้ด้วยนะเหมือนกับมือเราที่พอเราไปสัมผัสกับน้ำร้อนหรือว่าของที่ร้อนมันรู้แล้วอันนี้เป็นของร้อนมันก็วางพร้อมกันนะสติสัมปชัญญะมันทำหน้าที่นะพร้อมที่เกิดปัญญา ปัญญาก็คือการปล่อยวางตรงนั้นนะ่ะป่อยวางคือการไม่ยึดมั่นนะกับอารมณ์นะกับความรู้ตรงนั้นที่จริงตอนนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะเพราะนนั้การปฏิบัติธรรมที่จะเดินสติตรง น, นี้แหละมันเกิดผลในปัจจุบันทันทีเนาะมันไม่ต้องไปรอว่าเมื่อไรเราจะได้มรรคได้ผลเมื่อไรเราจะถึงพันธุพานเพราะว่าในขณะที่เรามีสติเมื่อนั้นจิตใจเราก็ไม่เรียกว่ามันปล่อยวางอารมณ์เมื่อไรที่เรามีสติเมื่อนั้น จิตเราก็เป็นปัจจุบันแล้วเมื่อเทีเออ่ที่เรามีสติเมื่อนั้นจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้แหละคือเรียกว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันก็ได้นะเป็นความไม่ทุกข์ในปัจจุบันก็ได้ดังนั้นการเจันทร์สติมันมีข้อดีตรงนี้เป็นอย่างมากก็คือว่าแม้เราทําไปแบบไม่ต้องหวังเหตุหวังผลอะไรไม่ถึงเราไม่ต้องไปหวังผลนะว่าเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรเราจะได้มรรคเราจะได้ผลเมื่อไรเมื่อไรเราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเสร็ที แต่ทุกครั้งที่เรามีสติเมื่อนั้นแหละมันเกิดผลทันทีแล้วก็คือว่าเราไม่ทุกทันทีในขนาด น, นั้นแล้วเมื่อใดที่เรามีสติเมื่อนั้นจิตมันก็บริสุทธิ์จิตมันก็เป็นปกติแล้วเมื่อใดที่เรามีสติตอนนั้นแหละสินที่แท้จริงก็เกิดขึ้นแล้วนะสินไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องรักษาสินห้าหรือสินแปดหรือสินสยี่สิบเแต่สินก็คือว่ากายวาจามันเป็นปกตินะเมื่อนั้นสติ นะมันเกิดขึ้นก็มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางจิตไม่หลงไปกับอารมณ์นั่นะนะก็คือจิตเราตั้งมั่นเรามีสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นจิตก็เกิดปัญญาเข้าใจสังขารก็คือรูปหรือว่านามนะแล้วก็ไม่ไปหลงมียึดรูปยึดนามนะว่าเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็เกิดการปล่อยวางนะเกิดปัญญาเกิดความมีมุติแล้วนะแต่มันเกิดขึ้นชั่วคราวนะเกิดขึ้นชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็หลงมาใหม่เพราะว่า อาวิชามันยังไม่ได้ตัดขาดออกไปนะแต่แค่นั้นมันก็เป็นอันในสงฆ์มากแล้วนะเคยโกรธมากก็จะโกรดน้อยลงเคยทุกมากก็จะทุกน้อยลงเคยจมกับอารมณ์มากมันก็จะจมน้อยลงเพราะว่าอะไรเราจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานะจากอารมณ์ได้บ่อยขึ้นเราสะสมการโผล่ขึ้นมาจากอารมณ์บ่อยๆนี่แหละนะหรือว่าการปล่อยวางบ่อยๆนี่แหละเป็นการสะสมปัญญาไปเรื่อยๆนะเนาะเมื่อนั้นแหละดจิตมันจะค่อยๆสะสมปัญญา มันก็จะเกิดการปล่อยวางอารมณ์ไปได้มากขึ้นดังนั้นให้พวกเราได้ได้เข้าใจนะว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะคือการอยู่กับอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ให้เราอยู่แบบเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่เข้าไปเป็นกับอารมณ์ทังนั้นนะอารมณ์กรรมาฐานอะไรก็ได้แต่คือให้เราดูให้เรารู้ให้เราอยู่นะเมื่อเราหลงไปกับอารมณ์อย่างอื่นเราก็เพียงแค่กลับมาอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันที่เราตั้งใจที่จะรู้นะ เรียกว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานหลักนะแต่ขณะที่ถ้ามันมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตนะเราก็คอยรู้ทั่วทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนะรู้แล้วก็วางมันไปนะรู้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจรู้แล้วก็จบเพียงแค่รู้นะไม่ต้องไปคิดต่อว่าทําไมมันถึงคิดทําไมมันถึงหลงนะมันมีเหตุมีผลอย่างไรนะหรือพอจิตมันเกิดความชอบความชังให้เรารู้ทันแล้วก็วางมันไป แค่นี้แหละนะเราก็ทำแช่นี้นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะทำในรูปแบบบ้างทำนอกรูปแบบบ้างนะทำคนเดียวบ้างทำกับเพื่อนบ้างนะเราก็เรียกว่าแค่อศายกัญญามิตรภายนอกด้วยแต่เราก็อาศัยกัญยามิตรภายในใจของเราคือสติที่คอยดูคอยอรู้อารมณ์ของเราเองอันนี้แหละคือการเจริญสติเราสามารถทำได้ในที่นี่นะที่วัดป่าสุกโตก็ดีเหมือนเราจะกลับไปที่บ้าน หรือเรากลับไปทํางานแล้วก็สามารถมีสติได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอสติแต่ในรูปแบบอย่างเดียวนะเราสามารถเจริญสตินอกรูปแบบก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนคุยเหยื่อเคลื่อนไหวทําการทํางานเราก็สามารถมีสติได้นะบางคนคิดว่าเราจะต้องนะทําแต่ในรูปแบบอย่างเดียวนะจะต้องเก็บให้ได้ตลอดนะบางทีมันกลายเป็นความตั้งใจมากเกินไป มันก็เกิดความอึดอัดแล้วก็วความอยากได้ก็มีนะเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกันมีคนมาขอว่าจะจะปฏิบัติอย่างเดียวปีหนึ่งได้ไหมนะเด่๋ยวให้เงินกับวัดเท่านั้นเท่านี้นะ่ะอันมาบอกว่าทำวัดเราไม่ได้ต้องการเงินนะไม่ได้ต้องการเงินแบบนั้นนะการที่มีคนมาปฏิบัตินะ่ะมันก็ดีแล้วนะแต่เราไม่ใช่ว่าจะให้ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็ไม่สนใจทำอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่นะ เพราะว่าการทาครัวมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะการกวาดลานวัดก็เป็นการปฏิบัติธรรมการบินธบาดก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราอาศัยการปฏิบัติธรรมแบบนั้นนะมันก็สามารถผ่อนคลายได้ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบแต่ถ้าเราไปตั้งใจปีนหนึ่งจะปฏิบัติอย่างเดียวบางทีมันกลายเป็นความเครียดแต่แท้ที่จริงแล้วบง ท, ที่ที่บอกเขาขเช่นนั้นเพราะว่าแค่เขาทำเช่นนี้มันก็เครียด ม, มากแล้วเพราะว่าจิตใจมันมันไม่ผ่อนคลาย มันจะเอาจริงเอาจังนะจะเอาแต่ผลจากการปฏิบัติหรือว่าเอาแต่จะรู้รู้รูรู้รู้ถามว่ารู้รู้รู้รู้อย่างเดียวถูกไหมมันก็ดีนะแต่บางทีมันมันเพ่งที่จะรู้มากเกินไปจนไม่เป็นธรรมชาตินะมันตั้งใจมากเกินไปก็ต้องให้มันผ่อนคลายขึ้นบ้างนะคือแต่แต่คนมันไม่เหมือนกันบางคนมันตั้งใจมากก็ต้องให้มันผ่อนออกมาบางคนมันย่อหย่อนมากก็ต้องให้ตั้งใจมากขึ้นนะ นะบางคนเอนะอยู่วัดอยู่ว่าหรือว่ามาปฏิบัติธรรมก็เอืเิอมาเหนื่อยอยชายชแบบนั้นก็มีก็ต้องบอกให้ตั้งใจมากขึ้นให้มีระเบียบมันให้มีระเบียบให้มีวินัยมากขึ้นนะให้มีกรรมฐานในรูปแบบมากขึ้นก็มีนะมันไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะตัวเราเองไม่เหมือนกับคนอื่นแ ม, ม้แต่ตัวเราเองในแต่ละขณะในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะมันต้องปรับตามเรียกว่า ตามเหตุการณ์ตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ใช่ว่าจะมีอะไรตายตัวะนั้นการเจริสติเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะแต่ให้เราปรับตามเหตุตามปัจจัยบางครั้งทําในรูปแบบมันเครียดเกินไปเราก็ต้องผ่อนคลายออกมาเดินเล่นๆบ้างหรือว่าไปทํากิจอย่างอื่นกวาดด้านวัดนะนะนะหรือว่าไปอาบน้ําซักผ้าให้อารมมันผ่อนคลายจากความเครียดแบบนี้ก็มีหรือบางทีบางคนทํานอกรูปแบบมันฟุ้ง อดที่จะคุยกับเพื่อนไม่ได้นะอดที่จะคิดไม่ได้หรือกระทบแล้วก็กระเทือนมากเลยนะก็ต้องอาศัยการทําในตัวแบบเข้ามาช่วยมากๆนะเนะี่ยก็ทําสลับกันไปสลับกันมานะจิตของเรามันไม่เหมือนกับคนอื่นเราดูที่ตัวของเราเนี่ยแหละเป็นหลักนะจะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เนาะนี่ก็ฝากไว้ในชาววันนี้ก็คิดว่าสมควรแกร่วลานะคขับพารพร้อมกัน